ที่เราอบรมแบบที่เราอบรมอยู่นี้มันเป็นความรู้สเเหะสรพัดแต่ตะล่อมหลอมรวมลงที่เดียวกันไม่ใช่มาฝึกมาอบรมไม่ใช่มาศึกษาแบบเปิดหน้านังสือดูไปหมดเป็นภาคเป็นภาคเป็นภาคเป็นบทเป็นบทเป็นบทเป็นเล่มเป็นเล่มเป็นเล่ม เราสับสนเรางงเราไม่ต้องดูที่ไหนดูไปที่ใจของเราเรามีพุโทโธกํากับทุกระยะทุกเวลาไหมจับอยู่แค่นี้แหละพุโทโธพุโทโธพุโทโธเราบ้าพุโทโธหรือเปล่าขอให้เราบ้าพุโทโธเถอะ ว่าทั้งวันว่าทั้งคืนว่าจนตื่นจนรู้นน่ะเหมือนพระพุทธเจ้าน่ะแเราไม่ได้เรียกร้องเอาเฉยเฉยเหมือนกับเขาบวงสวงอ่อนวอนเราทำด้วยเราพยายามข่มด้วยข่มนิวรณ์ข่มกิเลสข่มตัณหาในหัวใจของเรา ไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาเอาใจของเราไปใช้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจและก็มันคืออะไรมันก็คือส่วนหนึ่งของของความเลวของใจของเราที่ใจของเรามันกบัดขึ้นมาแล้วมันเคลือบแฝงมาด้วยกันทุกคนได้ใจมา สิ่งเหล่านี้ก็เคลือบแฝงมากับใจด้วยกันทุกคน ừ, เหมือนกับว่าจิตของเราเนี่ยมันยังเป็นวัตถุดิบมันยังไม่ได้ถูกชะถูกล้างถูกฝึกฝนถูกอบรมมันเลยมีเิ็ดหลงกับหลงหลงกับหลงปนเปกันอยู่นั่นแหละความหลงนั่นเองเป็นเหตุให้โลภความหลงนั่นเองเป็นเหตุให้โกรธ หลงยึดหลงถือหลงรักหลงยึดเมื่อมีการยึดขึ้นมาแล้วก็ถือแหละหลงยึดแล้วก็หลงถือแล้วก็มีสิ่งอีกตามมาคือหลงรักหลงชังหลงยึดหลงถือหลงรักหลงชังแท้ที่จริงก็คือกิริยาของความทุกข์ของกองทุกข์ความทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นความทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ความทุก เท่านั้นดับไปไม่มีนอกจากความทุกข์แล้วนอกจากความทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปถุกลมก็คือพวกเราก็คืออยู่ท่ามกลางกองทุกข์เพราะมันมีกองสังขารเกิดขึ้น กองสังขารเกิดข right, ึ้นกองสังขารรูปธรรมของเรากองสังขารนามธรรมของเราจิตฝึกได้จิตปล่อยได้จิตะได้จิตวางได้วางรูปธรรมของเราวางนามธรรมของเราเมื่อวางได้มันก็วางได้วางไม่ได้มันก็วางไม่ได้ ยังมีกิเลสตัณหาอยู่เน่ยเราว่างไม่ได้เราว่างไม่ได้รับได้ที่เราฝึกจนกิเลสตัณหาหมดเราถึงจะว่างได้เราถึงจะวางได้เมื่อไรมันจะหมดชะกันไปล้างกันไปขัดกันไปกล่าวกันไปเพราะมันเกิดคลุกคลีตีมองกันมากีกับการปุเรชาตแล้วเรารู้ไม่ได้เราทราบไม่ได้อืม โดยเหตุที่พบชาติของเราเนี่ไม่มีประมาณคิดดูเถอะพระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมานปุเพนิวาสานุสติญาณของพระองค์ระลึกได้เป็นสังวัตทกับวิวัตทักกับระลึกย้อนหลังไปไม่รู้จักจุดจบไม่รู้จักที่จบมากมายมหาสานเกิดตายเกิดตายเกิดตายกิดตายแต่ละครั้งไม่ซ้ํากัน สุขก็สุขไม่ซ้ํากันทุกข์ก็ทุกข์ไม่ซ้ํากันได้อัตภาพร่างกายเข้าไม่ซ้ํากันเป็นมนุษย์เหมือนกันก็มีความเป็นอยู่ไม่ซ้ํากันไม่เท่าไม่เท่ากันเกิดเป็นสัตว์ก็ไม่ซ้ํากันเกิดซ้ําชนิดกันก็มีความสุขไม่ซ้ํากันมีความทุกข์ไม่ซ้ํากันจับเปลี่ยนกันไปเพราะทุกอย่างยืนอยู่บนพื้นฐานของความไม่คงที่ ทุกอย่างยืนอยู่บนพื้นฐานของความไม่คงที่ไม่อยู่เท่าเดิมเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่เท่าเดิมเปลี่ยนแปลงไปเราดูเช้าสายบ่ายค่าของเราสิมีอะไรอยู่คงที่เท่าเดิมเดี๋ยวก็ค่าเดี๋ยวก็หมืดเหมือนเดิมเดี๋ยวก็ค่าเดี๋ยวก็หมื่นเหมือนเดิมนะหมื่นเมนะหมือ น, นเดิมเดี๋ยวก็สว่างเหมือนเดิมอ๋อเราใช้คําว่าเหมือนเดิมได้อยู่ทําไมมันมันไม่สว่างก็สว่างไปตลอด ทำไมมันไม่มืดทำไมมืดไปตลอดอทําไมมีเช้ามีกลางวันมีค่ำเช้าสายบ่ายค่าเที่ยงกลืนเที่ยงคืนใกล้สว่างสว่างแล้วใกล้เที่ยงเที่ยงแล้วระยะที่เป็นไปอันนี้เองเขาเรียกว่าความสืบเนื่องอืความสืบช่วงความสืบเนื่องสันตติความต่อเนื่อง ความสืบเนื่องเป็นเวลาเป็นเวลาชีวิตของเรานั้นก็เปลี่ยนวัยไปตามเวลาวัยของเรานวะยะวะยะแปลว่าแปลว่ามันมันเสื่อมไปวัยในภาษาบาลีนะวะยะวะยะแปลว่ามันเสื่อมไปทุกอย่างมันเสื่อมไป ทำไมมันจึงเสื่อมไปเพราะมันไม่คงที่นั่นแหละเนี่มันก็พันอยู่กันแค่นี้เองแต่เราพยายามมองแต่พยายาม พ, พวเราก็มองได้ยากมองไม่เห็นทำไ ม, มถึงเสื่อมเอาก็เพราะมันไม่คงที่ทำไมมันถึงไม่คงที่เพราะมันยืดยาวเป็นระยะเป็นการเป็นเวลายาวออกไปเช่ น, นอย่างอายุของเราเนี่ยหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยปี ร้อยสามปีเมื่อวานไปงานครบรอบลุงปู่บุญยริศหนึ่งร้อยสามปีหนึ่งร้อยปีกับสามปีอีกเป็นหนึ่งร้อยสามปีลุงปู่บุญยริศครบรอบวันที่สิบแปดกุมภาหนึ่งร้อยกับสามปีเป็นผู้มีอายุยืน เมื่อปีที่แล้วนี่ก็ปลายปลาย ป, ายปีนี่ก็ลุปู่เจ้าคุณอุดมยานโมรีวัดอุดมสมพรอุดรธา น, นี <c oughs> อายุหนึ่งร้อยห้าปีหนึ่งร้อยห้าปีตอนนี้ศพท่านยังตั้งบำเพ็ญอยู่ที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธา น, นีมีอายุยืนมีอายุยาว อยู่ในสมณเพศยืดยาวขนาดนี้วันคืนล่วงไปสร้างคุณงามความดียิ่งทำความดีทุกลมหายใจเข้าออกนอกจากความดีพื้นพื้นธรรมดาความดีละเอียดเข้าไปความดีละเอียดเข้าไปถึงขั้นที่ว่าศีลสมาธิและปัญญาของท่านท่านก็ต้องสร้างท่านก็ต้องทำท่านก็ต้องสังสม ท่านก็ต้องถือ ท, ท่านก็ต้อง ป, ปฏิบัติของท่านคนมีโอกาสมากสังสมมากมีระยะเวลาที่ยาวมากย่อมมีมากแต่ถ้าไม่สังสมเลยใครก็ตามถ้าเราไม่รู้จักสังสมคุณงามความดีเข้าสู่หัวใจเลยท่านเปรียบเทียบนะท่านบอกมีอายุทั้งร้อยปีสู้คนเกิดวันนั้น มีอายุตั้งร้อยปีไม่มีศีลสู้เด็กเกิดวันนั้นมีศีลไม่ได้เกิดวันเดียวเกิดวันเดียวกับร้อยปีนะไม่มีศีลไม่มีธรรมสู้เด็กเกิดในวันนั้นไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบโอ้โหระยะเวลาสิ้นเปลืองถึงขนาดนั้นไม่ได้ประกอบคุณงามความดีอะไรขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้วเป็นผู้ฉลาดมันจะมีโชคการโชคคราว ที่พานึกพาคิดออกนอกรูกนอกทางหากมีประสบการณ์ทำให้ได้ข้อเทียบได้ข้อเคียงได้เหตุผลได้ความสุขได้ความทุกข์มาเทียบมาเคียงแล้วก็มาเลือกถือเลือกประพฤติเลือกปฏิบัติบางคนก็อาจจะตั้งตนมาได้ตั้งแต่ปฐมวัยบางคนก็อาจจะตั้งต้นตนตั้งตนได้ประมาณท่ามกลาง ไวกลางๆบางคนก็บ้านปลายบางคนก็ประเภทต้นคดแต่ปลายตรงนี่ก็ยังถือว่าใช้ได้แต่ถ้าถ้าเป็นต้นต้นตรงตรงตรงมาปลายใกล้จะไปงอคดนี่โอ้ใช้ไม่ได้เลยอืมแต่ว่าคุณงามความดีทั้งหมดที่เราสร้างเราทำไว้ทุกครั้งที่ไหนก็ตามไม่มีศูนย์เปล่าไปไหน ยกตัวอย่างเรารับราชการมาตลอดอายุไขของเราสร้างคุณงามความดีมีระดับเกียรตินิยมได้รับความนิยมชม ช, มชอบตลอดเหลือปีสุดท้ายปีกเกษียณพลาดท่ายังไงไม่รู้ลงผิดที่ไหนไล่ออกเนีความดีเราก็สั่งสมมาเต็มที่ของเราส่วนความชั่วของเราก็มีแค่นั้นถึงจะถึงจะออก ความดีของเราก็ไม่สูญหายไปไหนไม่สูญหายไปไหนความไม่ดีมันก็สูญหายแค่แค่ที่มันเสียเท่านั้นเองแค่นี้มันเป็นตราประทับงึบเข้าไปเลยแหละไม่มีใครมาแก้ไขดัดแปลงได้เรื่องของเหตุกับผลไม่มีใครสามารถดัดแปลงแก้ไขได้นี่เราพูดถึงอายุของคน เราคิดถึงท่านแล้วเราก็มาคิด ถ, ถึงเราเราศึกษาเราฝึกฝนเราอบรมเราทําทําไมเราก็ทําเพื่อรังสรรค์สมอบรมสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีบุญญาบารมีจริงมีความสามารถจริงเราก็ตั้งใจฝึกฝนอบรมให้เห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยจริงๆเราก็ทีบตัวเราออกไปให้ได้ให้อับไปให้พ้นดีให้ท่นานพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอาญาสาวกสิ ถ้าเรามีความสามารถไม่มีใครมากีดมากัน้นเราได้อืมแต่ถ้าเราใกล้จะตายแล้วยังไปทําให้ปลายงอออีกโอ้แย่ใหญ่ตอนนี้แย่ใหญ่แล้วทุกยากคราวใกล้ใกล้กลจะตกหมอ้อทุกยากลําบากกันทานใกล้จะตายคนเราเวลามันถึงคราว คนทั้งหลายก็ชอบเรียกว่าเคราะเคราะเคราะแท้ที่จริงคือผลของความไม่ดีมันสั่งสมมันอบรมมันสะสมมานั่นแหละเคราะเคราะแปลโดยตรงเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเคราะอืถ้าเราจะคิดในแง่เหตุผลก็คือผลของกรรมดีกับผลของกรรมชั่วท่นานั้นเองนอกจากผลของกรรมดีของกรรมชั่วไม่มีอะไรจะมาทํามาตามให้ผลเรา ไม่มีวิบากกรรมใดๆที่จะมาตามล้างตามผลาญเราไม่มีนะถึงมีเราก็แก้ไขได้หลุดไล่รอดได้เล็ดได้รอดได้แต่มันก็มีเหมือนกันจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่เรามาเทียบดูมันอย่างพระพุทธเจ้าของเรานะท่านไม่ได้จองเวนอะไรกับพระเทวทัตนะพระเทวทัตท่านจองข้างเดียวนะจองเวนข้างเดียวพุทธเจ้าไม่เคยจองเวด้วยเลยนะ ผู้เจ้าก็ไม่พ้นเดือดร้อนนะก็ <c oughs> ไม่พ้นเดือดร้อนแต่ถึงจะเดือดร้อนเราก็ไม่ได้เสียคุณงามความดีอะไรของเราเพราะเราไม่ได้ทําพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี่เป็นขอาละเอียดอ่อนละเอียดจริงๆอาศัยความตัดสินใจมีเจจจํานงข้างในใจของเราเนี่ยแหละตัดสินได้ว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด ด้วยกรรมของเราได้จริงขนาดไหน อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่างพิสุทั้งหลายาเธอถูกจับให้หนอนแะล้วเลื่อยมีคนเอาเลื่อยมาเลื่อยกลางตัวเธอให้ขาดเลื่อยดึงชกชากฉกชากฉกชากเลื่อยครางทั่วเธอถูกเขาแกล้งจับมาเลื่อยกลางตัวให้ขาด ถ้าเธอยังโกรธเขาอยู่เธอยังไม่ใช่ลูกของเราดูสิละเอียดขนาดไหนนอนทำตาปริบๆให้เขาเลยครับตัวเราฟังดูเถอะธรรมะของพุทธเจ้าละเอียดขนาดไหนเพราะเพราะอะไรล่ะถึงแม้ว่าเราจะตายไปเราไม่ได้ตายเพราะไปเพราะเราทาตัวเราให้ตายเนี่ยคนอื่นทําต่างหาก มันกรรมของคนอื่นทําต่างหากเราไม่มีกรรมเราไม่ได้ทําอ่ะตัวเจตนาแท้ๆมันไม่ได้อยู่ที่เราเนยมัอยู่ที่เขาเนี่ยตู้นี้ละเอียดไหมโอ้โห<อ>เขาจับนอนนอนเฉยๆให้ก็เลยกลางตัวเลยขาดถ้าเธอยังนึกโกรธเข า, าเธอยังไม่ใช่ลูกเรานั่นใช่ไหมโอ้โหทําไมมันละเอียดได้เราพิจารณาตามลองดูสิกับ ไพวกเรามี จ, จิตใจบางคนมีจิตใจเหมือนฝืนเหมือนไฟดูสิเหมือนคนละโลกกันเลยนะมันคนละโลกกันเล ย, นนลลกกเลยพอแต่พระองค์เนี่เล็ดลอดออกไปได้ถ้าเราจะพูดถึงว่าตาข่ายแต่แกงตาข่ายของกิเลสเนี่ยโอยมันเม็ดมันไม่ต่างอะไรกับถุงหนังแต่แกลงหนังน้ำมันเล็ดลอด ออกไปได้ง่ายไหมเล็ดหลอออกไปได้ยากยากตะแกรงหนังพระจิตของพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกละเอียดขนาดร่อนตะแกรงหนังเนี่ยทะลุตะแกรงหนังออกไปได้นั่นน่ะจิตใจของท่านละเอียดบริสุทธิ์หมดจดขนาดนั้นะถึงจะไปได้กับพวกเราเป็นดุนเป็นแท่งเป็นก้อนจะเอาอะไรมาหลอดไปได้ ความละเอียดอ่อนของจิตใจของจริตนิสัยของสันดานสันดานของคนสันดานของสัตว์สันดานภาษาบาลีนะแต่ภาษาไทยหลักภาษาไทยพวกเราเอามาใช้เลยทำให้เกิดความเพี้ยนไปเหมือนกับหููถูกดา่าพอเขาใช้คำว่าสันดานเหมือนกับเจ้าของนี่ถูกดา่าสันดานก็คือพื้นเพจริตนิสัยที่สั่งสมอบรมมานั่นแหละ วาสนาวาสนาวาสนาก็คือบุ ญ, บ, ญ <c oughs> บุญกรรมที่เราสั่งสมอบรมได้เท่าไหร่เราก็ได้เข้าไปอยู่ในวาสนานั้นเรียกว่าการเข้าไปอยู่วาสนาวาสนาบารมีก็คือบุญบุญญาบารมีวาสนานมันก็อันเดียวกันเคราะเวรกรรม เวนก็คือจองจองกันระหว่างเรากับเขามีการจองเวีนกรรมกันกรรมเรื่องกรรมนี่แหละมันเป็นเรื่องของส่วนตัวเราถือได้สุดที่ขนาดไหนเป็นเรื่องของเราการที่เราตั้งอกตั้งใจศึกษากมของตัวเองเราสามารถเห็นความบริสุทธิ์ของกรรมของเราเองได้เราเห็นความปนเปื้อนของกรรมภายในจิตของเราได้ หมายความว่าชอบเอาความนึกคิดชอบเอาจิตชอบเอากิริยากายกิริยาวาจาไปสอดแทรกกับงานกับการกับกรรมของคนอื่นจนเป็นเหตุให้เกิดตอเลอต่อเถียงทะเลาะเบาะแว้งกันเราจะว่าเขาทำเราไม่ได้อันนี้เรามีส่วนไปร่วมคือถ้าพูดถึงว่าผิดเราก็ผิดเขาก็ผิดแต่ถ้าเผื่อเขาดา่าชฉอดฉอดฉอดเาใช้จิตของเรานิ่งใชย หรือไม่เขาเลื่อยมาเลื่อยกลางตัวเราเรานิ่งใช้เราไม่ได้อกรรมอะไรของเราไปปนเพื่อนเลยพอสมมตินะเมื่ออยากเขาเอาเลื่อยมาเลื่อยกลางตัวเราปับ๊บเรากโกรธให้เขานี่เอากรรมของเราไปเพื้อนแล้วเอากรัมของเราไปปนแล้วการที่เราเอากายอกิริยากายกิริยาวจาไปพูดต่อร้อต่อเถียงกับเขานี่คือเอากิริยากรรมของเราไปปนแล้วะ กรรมของเราไม่บริสุทธ right ิ์แล้วไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เพราะกรรมของเราเพราะกรรมของเราอะไรเพราะกรรมของเราที่เรานึกโกรธนี่แหละเพราะกรรมของเราที่เราเอากิริยากายกิริยาวาจาของเราไปปนเปื้อนกับเขานี่แหละอันนี้คือกรรมของเรานะไอ้ส่วนออกจากปากของเขาจากจิตของเขาก็เป็นเรื่องของเขาจากปากของเราเป็นจิตของเราก็เป็นเรื่องของเรากลายเป็นกรรมของใครของเราแท้ เพราะฉะนั้นใครถือเรื่องเหล่านี้ได้ใครรักษาสิ่งเหล่านี้ได้มองเห็นความบริสุทธิ์ของกรรมของเราเองมีความสุขมีความสุขจริงจริงๆหนอมีความสุขมากเขาจะกล่าวหาอะไรเท่าไหรก็ตามเรื่องของคนเข้าใจผิดเข้าใจไม่ถูก เ, เราบริสุทธิ์ของเราเนาะเราไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรแต่ถ้าเราเครียด พี่เขามากล่าวใส่เรายเราแน่เราชักจะปนไปปนกับเขาแล้วมันเริ่มเดือดละเริ่มร้อนละมันเริ่มเดือดร้อนอันนี้มันเป็นความฉลาดในความเป็นอยู่ของเรานะไม่ใช่ว่าไม่มีความสําคัญมีความสำคัญมากมันไม่มีความสําคัญใดๆเกินเหนือระดับพฤติกรรมที่เราเป็นอยู่ประจําวันไม่มีเหตุที่เราสุขก็เพราะพื้นเพเราอยู่ พฤติกรรมประจําวันของเราเนี่ยทำถูกเราทุกข์ด้วยเวรด้วยภยัยด้วยบาปด้วกรรมเพราะพฤติกรรมที่เราทําอยู่เป็นประจําวันของเราเราทําไม่ถูกด้วยเหตุที่เราทําไม่ถูกนี่เองมันเดือดร้อนเราเองเราอยู่เฉยๆเราไม่ได้เอากายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราไปทําอะไรไม่มีกรรมใดๆมาทําอะไรให้เราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนได้เหมือนอย่าง ระยะเวลาวันสองวันสามวันกับสองคืนที่เราเข้ามานี้ถ้าเราปล่อยละวางภาระข้างนอกทั้งหมดเราไม่เอาจิตของเราไปคิดไปไปไปนึกไปปรุงไปยุ่งไปอะไรแต่ ไ, ไรเรามีแต่ความสุขอยู่แต่กับอารมณ์กรรมฐานพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่ใครเราจะหักห้ามใจได้มีสักกี่คนที่จะหักห้ามจากความนึกคิดเหล่านั้นได้ แต่เราก็ต้องสังสมต้องอบรมทำได้คนที่ทำได้ทำได้แต่ต้องผ่านการอบรมสังสมมาคนที่ทำได้ก็คือผ่านการอบรมมาคนที่ทำไม่ได้ก็คือไม่เคยฝึกฝนอบรมมาเพราะเรื่องสิ่งที่ปลเปื้อนมากับจิตของเรานั่นนะมันหากเป็นหลักธรรมชาติเกิดขึ้นมาเองเราไม่รู้ว่าแต่เราได้ผู้รู้มาเราได้วิญญาณมา เรามีความรู้ด้วยเหตุที่เรามีความรู้นี่แหละเราจึงมีความสุขเราจึงมีความทุกข์รู้ว่าเราสุขรู้ว่าเราทุกข์เน่เริ่มยึดแล้วเนี่ยเริ่มเกลียดทุกข์เริ่มยึดสุขด้วยเหตุที่เรายึดสุขเราเกลียดทุกข์มาเป็นกลับเป็นกันเลยกลายเป็นผดิตเป็นนิสัยไปจําเรามากลายเป็นเหตุให้พวกเรามีมี ความโลกเวลามีใครมาขัดเขาก็มาขัดแล้วก็มีความโกรธความโกรธมันตามมาความโกรธพลิ้งไปพลิ้งไปนึิ้งไปมีสิ่งนู้นมาขัดมีสิ่งนี้มาขัดคนนั้นมาขัดคนนี้มาขัดถ้าเรียกว่าปฏิฆะมันขัดข้องเกิดความโกรธปกติใจของเราของท่านของใครก็ตามไม่ชอบมีอะไรมาขัดกระแสของจิตกระแสของใจนี่ไม่ชอบมีอะไรมาขัดพรขัดขึ้นมาแล้วมันขึ้งขึ้นมาเขาเรียกว่า คึงเครียดคึ่งเครียดเกิดครึ่งเครียดขึ้นมาทันทีเกิดปฏิกะขัดใจเกิดความโกรธเกิดโทสะเกิดพยาบาทถ้าหาปะทุสลายกันด้วยแล้วนี่มีความพยาบาทอาฆาตพยาบาทหมายจะเอาชีวิตอาฆาตหมายจะเอาชีวิตพยาบาทปองร้ายปองร้ายที่จะเอาชีวิตน่ะ มันไปจากความขัดใจเท่านั้นเองปกติใจไม่ชอบอะไรขัดใจของเราของท่านเนี่ยชอบสิ่งที่อ่อนนิ่มถ้ามีสิ่งที่รุนแรงขึงขังตึงตังขึ้นมาปุ๊บปั๊บขึ้นมาขัดเป็นเรื่องขัดเป็นเรื่องขัดขึ้นมาทันทีใจจึงเป็นมีคุณ น, นลักษณะที่ว่าน้อมน้อมน้อมมะโนมะโน มโนธาตุมโนธาตุธาตุใจคือธาตุที่น้อมมโนแปลว่าน้อมมันน้อมไปกับสิ่งแวดล้อมน้อมไปกับความรู้สึกน้อมไปกับความรู้สึกแต่ถ้าเป็นสิ่งที่แข็งกระด้างเนี่ยก็จะรู้สึกขัดแต่ถ้าเป็นสิ่งที่อ่อนนิ่มถ้าเป็นยอดเป็นเป็นพื้นพรมเป็นยอดเหมือนกับยอดหญ้า ที่ถูกลมลู่อ่อนน้อมน้อมไปสู่อารมณ์อารมณ์ดีอ่อนนิ่มจิตมันน้อมไปรับอารมณ์แข็งกระด้างจิตมันขัดข้องนี่เป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธที่ที่ไปที่มาของความโลภความโกรธมันมาจากพื้นเพจริตนิสัยของเราอย่างนี้ มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เรามีความหลบความโกรธได้ยังไงเนอะเรามีความโกรธเรามีความลอบเกิดขึ้นมาได้ยังไงเรามีความโกรธเกิดขึ้นมาได้ยังไงนี่เกิดขึ้นมาแบบอธิบายฟังนี่แหละมีใครสักคนรู้บ้างว่าเราได้จิตของเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่ผู้รู้ของเราเนี่ยเรารู้แต่ว่า เราออกจากท้องแม่มาเริ่มรู้รอย่างสาภาวะหลังจากนั้นเป็นกี่กับกับเราไม่รู้เพราะอาดีตกรรมมันปิดบังไว้หมดแต่กรรมชั่วร้ายที่หนักหนาสาหัสมันไม่ปิดบงังมันตามเล่นงานมันปิดสัญญาอารมณ์ลืมนึกเรื่องเก่าเรื่องที่เคยผ่านมาได้ทั้งหมดระลึกไม่ได้คิดไม่ได้จาไม่ได้พวกเราเราถ้าเราเระลึก ถึงเรื่องเก่าๆได้โอ้ยเรายิ่งทุกข์มากกว่าที่เราเป็นอยู่นี้คนนั้นเคยด่าเราคนนั้นเคยแย่งผัวเราคนนั้นเคยแย่งเมียเราตายแล้วมีแต่คู่เวรคู่กรรมกันทั้งนั้นแหละคนนั้นเคยดูถูกเราคนนั้นเคยลักของเราคนนั้นเคยขโมยเราเคยฆ่าพ่อเราเคยด่าเราสรพัส แต่ด้วยเหตุที่ธรรมชาติมันช่วยเราทำให้เราจำไม่ได้ลืมหมดลืมแม้กระทั่งว่าใครเกิดเคยเกิดเป็นพ่อเคยเกิดเป็นแม่เคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียลืมหมดเพราะฉะนั้นคนที่ระลึกได้จึงเป็นคนวิเศษอย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันบ่อยเลยถ้าโผรแบบนั้นมาแล้วก็เป็นคนวิเศษมักจะเป็นคนวิเศษล่ะอ่า สักหน่อยหนึ่งโดนแล้วโดนแล้วโดนต้มสักหน่อยโดนแล้วโดนต้มสุกแล้วต้มจนสุกแล้วอืมนิสัยคนมันชอบไปอย่างนั้นแต่ธรรมชาติมันช่วยเราทําให้เราจําไม่ได้สัญญาอารมณ์เก่าๆเราลืมหมดเราทิ้งหมดมาทําใหม่นึกใหม่คิดใหม่อะไรใหม่พวกเรามาฝึกฝนอบรมนี้เราก็มาสร้าง ให้รู้พื้นเพย์เจติณิสัยด้วยอย่างแนร้อยให้เราระลึกอย่างนี้แหละโอ้ความโลภเราเกิดมาอย่างนี้ความโกรธเราเกิดมาอย่างนี้กิเลสตันหามันเกิดมาแล้วเราไม่ต้องไปตามหามันหรอกมันเกิดตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไร่มีอะไรเป็นที่เกิดเป็นแดนเกิดแดนเกิดของมันก็คือ น, นู่นแหละมันเกิดกับผู้รู้ของเราเนี่แหละผู้รู้คือธาตุรู้รู้ กุญใจของเราเราย้อนมาดูที่ใจของเรานี่เรามีธาตุรู้เรามีผู้รู้สิ่งที่เราพูดถึงเรามีอยู่เดี๋ยวเนี้ธาตุรู้คือใจของเราเรามีอยู่ใจคือธาตุรู้ใจคือผู้รู้ผู้รู้ดวงเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราถ้าเราไม่มีธาตุรู้ธาตุนี้ไม่มีจิตผู้รู้ดวงนี้ โลกนี้จะไม่ปรากฏกับเราจะเป็นอะไรล่ะสมมุติเราเป็นก้อนหินดูไปเถอะก้อนหนินรู้เรื่องอะไรต้นเสารู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอ ม, มันไม่รู้เรื่องอะไรแต่ด้วยเหตุที่เรามีธาตุรู้สิ่งเหล่านี้มันเลยเคลือบแฝงมาด้วยมันปนเปื้อนมาด้วยความโลภความโกรธนะโลภ ก, ก็คือลาบ สิ่งของที่เราต้องการต้องการได้มาเนี่ยตัวเรียกว่าโลภลาภลาภลาภแปลว่าลาบเป็นของที่เราจะพึงได้มาโลภ ก, ก็คืออยากได้มาในเมื่อเขาก็อยากได้เราก็อยากได้ก็เลยแย่งกันพอแย่งกันแล้วก็ขัดกันขัดกันแล้วก็ตีกันนะทีนี้เกิดความโกรธตามมา เห็นไหมจิตมันไม่ชอบอะไรขัดกระแสของจิตของเราของท่านไม่ชอบมีอะไรขัดสิ่งที่แข็งกระด้างจิตไม่ชอบจิตชอบอ่อนน้อมสิ่งหนึ่งที่เข้ากับจิตได้ดีเสียงดนตรีเราสังเกตดูสิอยู่ดีๆไม่มีอะไรแหละเอาเพลงธรณีกันแสงมาเปิดนี่บางคนโอ้โหโหยหัวเระลึกถึงเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องอะไรสรรพัด น้ำหูน้ำตาไหลเพราะจิตมันอ่อนมันน้อมมันจินตนาการไปตามเรื่องตามราวของมันเสียงดนตรีนี่ลองเสียงดนตรีที่มันยุยุยว่วให้เราคึกขนองเห็นไหมสตริงสตริงอะไรนี่ทำให้เขาก็โดลดโลดเต้นเมื่อวานน่าจะมีนะเมื่อวานนะ ตอนเรากลับมาแล้วยังยังมีอยู่นะแสดงว่านั่งภาวนาฟังเพลงตลอดนะเมื่อวานลืมถามน่าจะใช่นะเพราะตอนเรากลับมายังมีอยู่แหมนั่นถ้าเพลงเพลงที่มันยั่วยวนคึกขนองอย่างนั้นเหมือนโอ้โหขยิบเหย่อโดดโลดเต้นยงยงยงยงไปตามมันน่ะ ให้อาหานก็มีเพลงอีกอย่างหนึ่งดนตรีอาศัยเสียงดนตรีให้โศกเศร้าก็อาศัยเพลงอีกอันหนึ่งเสร็จแล้วเรามาศึกษาเรื่องจิตของเรากับเราศึกษาจดิตนิสัยที่จิตของเรามันชอบทําไมมันจึงชอบอย่างนั้นเพราะจิตมันเป็นมโนธาตุมโนธาต์ตามที่โบรรณาจารย์ท่านบัญญัติเอาไว้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละ มโนธาตุมโนธาตุมโนธาตุธาตุรู้ธาตุรู้คือผู้รู้ธาตุรู้เป็นของที่มีดั้งเดิมมาประจำโลกธาตุตุธาตุุแปลว่ามูลเดิมของโลกสิ่งที่เป็นมูลเดิมของโลกดินน้ำลมไฟสิ่งที่เป็นมูลเดิมของโลกมโนธาตุคือธาตุรู้สิ่งที่เป็นมูลเดิมของโลก มันเป็นเรื่องแปลกที่ทำให้มนุษย์ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็มาคิดจินตนาการตามหลัง น, นี่เพื่อหาข้อมูลหาเหตุผลว่าเราเกิดมาแล้วเรามีทั้งสุขเรามีทั้งทุกข์โดยเหตุที่มันมีสิ่งปนเปื้อนมาด้วยเนี่ยเรามาได้อัตภาพที่มีรูปธรรมมีนามธรรมนามธรรมคือธาตุรู้นี่แหละ มันก็เจาะเจาะเป็นตาเจาะเป็นหูเห็นไหมเจาะเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายคำว่ากายไม่ไม่ไม่ได้ไหมายถึงกายทั้งดุน้นมันเป็นประสาทกายประสาทกายของเราเราสัมผัสตรตงไหนเรารู้สึกนี่ตั้งแต่ของประสาทกายกา ย, ยประสาทตาหูจมูกลิ้นกายใจธาตุรู้มันเจาะ อ, ออกมาเจาะ อ, ออกมาทําไมมันเจะ อ, ออกมาสลับมันออกไป ไปแสวงหาไปเสพสิ่งของที่มันชอบออกมาทางตาไปเสวย ร, รูปรูปดีๆมันก็ชอบรูปไม่ดีมันก็ขัดใจรูปดีๆมันก็ชอบรูปไม่ดีมันก็ไม่ชอบเนี่ยเห็นไหมมันมีความลำเอียงมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นต้นเหตุของมันอยู่แล้วนี่เป็นที่รวมเป็นที่กาเริบ ของกิเลสราคะโทสะโมหะที่เพิ่มพูนทวีคูณในหัวใจของเราเพราะเราได้เสิ่งเหล่านี้เรามีสิ่งเหล่านี้มากีกับขีกันแล้วอืพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าไม่จบไม่สิน้นนิสัยสันดานอนันนี้มันก็รวบรวมอยู่ในธาตุรู้ในผูร้รู้ไม่ศูญไปไหนไม่หายไปไหนเพราะจิตไม่ตายจิตคือธาตุรู้มโนธาตุคือธาตุรู้นี่ไม่ตาย ไม่ตายไม่สูญหายแต่ดำรงรักษาสภาพของตัวเองอยู่อย่างนั้นนะแต่หากไปเกิดตามกําลังของกรรมกําลังของกรรมนี้ก็เป็นหลักธรรมชาติอย่างหนึง่งเหมือนอย่างที่เมื่อวานหรือเมื่อเช้าหรือหรือตอนไหนมรุผู้ได้ฟังไปแล้วว่าความดีเสียที่เรียกว่าบุญความดีนี่จะเบา ความชั่วนี่บาปความชั่วนี่จะหนักความดีจะลอยความชั่วจะจมถ้าเราจะเทียบนะความชั่วจะจมความดีจะลอยความชั่วจะจมรวมทั้งประสบแต่ความทุกข์ยากลำบาก ความเป็นบุญความสุขจะลอยจะฟูเพราะฉะนั้นผู้ที่มีพบพบภูมิต่าจึงต้องตกท่านไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าขึ้นท่านใช้คำว่าตกขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าไปในที่ต่ำท้าเรียกว่าตกตกตก <c oughs> ตกนรกขุมนั้นขุมนั้นขุมนั้นขุมนั้ น, น, นตกอบายอบายแปลว่าภูมิพบภูมิที่หาความเจริญไม่ได้รอดูไปสิ สัตว์เดรัจฉานเปรตนรกปศุกายนเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานยังรวมร่วมโลกอยู่กับเราเห็นไหมกระตอกกะแตเสียงนกเสียงกระแตเสียงอะไรร้องแก๊กงอยู่นะนีะ่อันนี้คือภูมิที่เขาหาความเจริญไม่ได้เป็นอบายภูมิแต่ถ้าทําคุณงามคุณสมบัติที่ดีคุณสมบัติไม่ดี ผู้รู้ดวงนั้นทำกรรมสังสมกรรมไม่ดีมันก็ไปตกอบายภูมิมันเป็นหลักธรรมชาติของมันไม่มีใครเสกสรรให้ปั้นแต่งให้มันมันหากเป็นอย่างนั้นเราเอามาเทียบกับอารมณ์ในปัจจุบันในใจของเราสิ่งที่ดีเราชื่นใจ ป, ป, ป, ปีติยินดีสิ่งที่ไม่ดีเราขัดข้องในหัวใจแน่นี่เราเทียบกันสิ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องลงต่าสิ่งที่ดีก็เบาขึ้นสูง สิ่งที่ดีคือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่ไม่ดีคือคือสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราชังผลักลงที่ต่ำมันเป็นหลักธรรมชาติอย่างหนึ่งเราติดใจในสิ่งที่ดีที่งามที่สุขเราจะไม่ติดใจในสิ่งที่ทุกข์นี่มันเป็นเรื่องที่ผลักดันมันเป็นเรื่องเป็นหลักธรรมชาติที่เราเอามาเทียบเคียงในหัวใจของเราได้ว่าหลักของการทาบุญทาบาปกับผู้รู้กับจิตคือธาตุรู้ของเรา มันชอบสิ่งที่ดีที่งามมันไม่ชอบสิ่งที่มาขัดมาค้องเลยเป็นในเหตว่าไอ้สิ่งที่ดีที่งามมันก็ยึดเอายึดเอายึดเอ า, เ, อาเกิดความโลภไม่มีประมาณสิ่งที่ไม่ดีมันก็ชังมันก็ชังมันก็ผลักออกผลักออกผลักออกเกิดความโกรธนี่สิ่งมันนี่นเกิดตามมาทั้งโลภทั้งโกรธนี่แหละท่านเรียก ว, ว่ากิเลสเพราะมันไปทาให้สภาพของผู้รู้นั่นเศร้า ห, หมอง ผู้รู้เป็นคนรับเป็นผู้รับเป็นผู้รับทุกข์เวลาสุขก็สุขนิดหน่อยเวลาทุกข์ก็ทุกข์จนจิตใจเศร้าหมองฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องแปลกดีมันเป็นธรรมชาติเรามาพิจารณาตามเพื่อเป็นการประเทือนปัญญาอย่างน้อยเราก็ค้นหาว่ากิเลสของเราเกิดยังไงธรรมะของเราของเราจะเกิดยังไงเรามีผู้รู้ผู้รู้ของเรามี ค, คุณสมบัติในตัว คุณสมบัติของผู้รู้ก็คือสิ่งที่เป็นคุณธรรมเช่นอย่างสติธรรมปัญญาธรรมขณะจิตเจตจำนงเราตั้งเจตนาเรามีสติเราตั้งสติเรามีเจตนาเราตั้งเจตนา ลุกจิตของตัวเองให้ตื่นรู้ด้วยสติสติเป็นคุณสมบัติของจิตติดมากับพื้นเพ ข, ของผู้รู้ด้วยเหตุที่เรามีคุณสมบัติเหล่านี้ติดมาด้วยเราจึงสามารถพิจารณารู้เห็นตัวของตัวเองได้สามารถพิจารณาเห็นว่าอะไรเป็นเหตุสุขของตัวเองได้อะไรเป็นเหตุทุกข์ของตัวเองได้และพยายามปล่อยวางสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษ แต่ปล่อยวางจนถึงที่สุดสามารถชะล้างสิ่งที่ปนเปื้อนมากับผู้รู้ของเราเนี่ยสามารถชะออกได้ล้างออกได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านชะล้างออกได้เสียจแล้วท่านก็นมาสอนพวกเราการชะออกก็คือพิจารณารู้ที่ไปที่มาแล้วก็ปลงปล่อยนี่เราพูดถึงที่ไปที่มาเพรามันแต่วิธีการที่เราทำนั้นเราจะต้องตั้งใจทำใจเย็นตั้งใจ ทำไปศึกษาไปประพฤติไปปฏิบัติไปมันไม่ง่ายมันไม่กล้วยเหมือนอย่างที่ท่านเราให้เราฟังมเมื่อเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็ต้องอดต้งใจทำตามท่านไปเพื่อลดเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางในที่สุดวางทั้งหมดทิ้งทั้งหมดทิ้งทั้งขันห้าเนี่ยทิ้งหมดปฏิบัติเพื่อทิ้งถ้าไม่ทิ้งไม่พ้นยังมีอยู่ก็คือกองทุกข์อยู่มีอยู่ ถ้าทิ้งได้หมดปล่อยได้หมดก็คือทิ้งกองทุกได้หมดเพราะอะไรเพราะความทุกขน์นี่แต่ไหนแต่ไรมหาเราไม่เคยชอบไม่ว่าเราไม่ว่าท่านไม่ว่าใครนี่คือที่ไปที่มาคือต้นต่อวิธีปฏิบัติก็เราพยายามมาปลุกผู้รู้ของเราให้ตื่นด้วยสติสติมันเกิดจากจิตเกิดจากผู้รู้สัมผชสย ย, ยันยะเกิดขึ้นจากจิตเกิดเกิดขึ้นจากผู้รู้ มันเกิดมันเกิดขึ้นมันเป็นคุณสมบัติที่ติดมาด้วยกันเวลากําหนดจดจ่อรู้อยู่สิ่งที่ปนเปื้อนมาหายไปหมดไม่เสนอหน้าเข้ามาแตเวลาเวลาเราไม่กําหนดจดจ่อรู้อยู่มิตรใสัยดั้งเดิมที่เคยโลภเคยโกรธอิจาริษยามันก็ตามมามันก็โผล่ขึ้นมามันมีพลังสองพลัง ที่ค่อยหักล้างกันอยู่ในหัวใจของเราพลังของกิเลสกับพลังของธรรมมันคอยหักล้างกันอยู่พลังอันหนึ่งความดีส่วนดีพลังอันหนึ่งความไม่ดีของส่วนไม่ดีที่ค่อยหักล้างกันอยู่เราสุบลงว่าเป็นพลังของกิเลสก็แล้วกันพลังของสติของปัญญาของสมาธิของสัมปชัญญะถือว่าเป็นพลังของธรรม เราตั้งใจศึกษาพระพื่ปฏิบัติเพื่อละเพื่อลดเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเราพยายามาขัดมากล่าวมาเรื่อว่าฟื้นสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมีขึ้นพูดไปพูดมาก็ไม่เกินพุโทโธอี่แหละฮะพูดไปพูดมาก็วอนอยู่แต่ตรงนี้แหละพุโทโธนี่แหละเพราะฉะนั้นบอกแล้วจะส่งจิตไปไหนจับอยู่กับเรื่องเดียวจบจบหมด พูดมากมายมหาสาลมากก็มวนอยู่กับตรงนี้อีกเลยแหนสร้างสติสร้างสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นเพื่อเป็นการปลุกผู้รู้ของเราให้ตื่นให้เป็นอิสระจากกิเลสไม้นมันก็ดึงผู้รู้ของเราไปใช้อพุโทโธพุโทโธพุทโธมันมาแทรกจิตไม่ได้จิตของเราก็จะเริ่มมีพลัง เหตุที่เราปลุกสติของเราตื่นรู้ตลอดสัมผชัญญาประคองตลอดที่จะเรียกว่าวิตกวิจารวิตกวิจารพุทโธพุทโธพุทโธประคองอารมณ์ที่เราบริกา ร, รพุทโธไปด้วยพุทโธพุทโธพุทโธประคองเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งปิดกั้นไม่ให้สิ่งที่เป็นนิวรมันครอบมันครอบงำ ม, มันดันเข้ามาส่วนหนึ่งพยายามประคองเอาไว้ ย้าปัดสิ่งเหล่านั้นออกใช้ความสังวรสำรวมระวังสังวรประทานผานประทานวิธีทำท่านจึงให้เราสังวรประทานยืนหรือนั่งนอนก็อยู่ด้วยสังวรก็มาสังวรก็คือระมัดระวังไม่ให้อกติลเกิดขึ้นไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นราคะตัณหาเกิดขึ้นอสังวรประทานสังวรได้นะสังวรได้ พูดว่าสังวรได้เนี่ยเราต้องไปทดสอบไปฝึกดูไม่ต้องฝึกไม่ต้องทดสอบแหละรู้เข้าใจมาพอแรงแล้วสังวรได้ระวังได้สิ่งเหล่านั้นไม่เกิดสังวรก็คือตั้งใจเอาสติสังวรเอาสัมผชัญญาสังวรเอาขันติสังวรเอาวิริยะมาสังวรรวมไปถึงว่าจะมีปัญญาเอาปัญญามาสังวรเอาญาณมาสังวร คำว่ า, าสังวรก็คือระวังคำว่าระวังก็คือบังคับนั่นแหล ะ, ะเราดูให้ชัดเจนไปเราต้องบังคับไหมต้องบังคับโดยเหตุที่เราต้องระวังนั่นแหละหมายความว่าเราต้องบังคับโดยเหตุที่เราต้องบังคับนั่นแหละคือเราต้องระวังระวังไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันโผล่ขึ้นมาให้ได้พยายามปลกุกสติปลกุกสัมปชัญญะให้ตื่นปลกุกผูร้รู้ของเราให้ตื่นพุโทโธพุโทโธแต่ละครั้งแต่ละครั้งเป็นการปลุกนะ พระคองจิตของเราตื่นปลุกให้ตื่นนี่คือวิธีการทำเพื่อไม่ให้วิบากกรรมที่เป็นสิ่งที่เป็นแนวสิ่งชั่วร้ายของกลเเลตัณหานะมันเอาจิตของรเราไปใช้ได้เพื่อสร้างวิบากกรรมของส่วนที่ทำให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเืิมขึ้นกว่าจะมีกำลังมากมีสมาธิมากมีปัญญาพิจารณารู้เห็นตามที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงได้ แล้วก็ปล่อยแล้วก็วางปล่อยได้ก็วางได้ปล่อยได้ก็วางได้วางได้ก็ว่างได้ปล่อยไม่ได้ก็วางไม่ได้วางไม่ได้ก็ว่างไม่ได้วางจากอะไรมันไม่ว่างมันยังอยู่ในมือมันมันไม่ปล่อยมันจะว่างจากจะว่างได้ยังไงเราถามหาแต่ความว่างพิธีการที่จะทําให้ว่าง คืออะไรเราต้องรู้จักสติธรรมปัญญาธรรมนี่แหละทำให้จิตของเราว่างว่างจากกิเลสตัณหาราคะนี่แหละว่างจากอารมณ์ให้จิตสงบว่างจากรูปรูปธรรมไม่ยึดรูปว่างจากนามธรรมาไม่ยึดนามธรรมาทําไมเราจะไม่ยึ ด, ยดรูปได้ทําไมเราจะไม่ยึดนามได้อันนี้ที่สําคัญ วิธีการนี่แหละคือแบบฝึกหัดแบบทดสอบแบบฝึกฝึกซอ้อมการเจริญสมาธิกับการเจริญสติทำไปด้วยกันทาไปด้วยกันเจริญสติหมายความว่าปลุกสติของเราให้ตื่นรู้ลืมตาแล้วก็ปลุกให้ตื่นรู้ได้เดินยืนเดินนั่งนอนทำกินดื่มทำพูดคิด มีสติกำหนดจดจอ่อปลุกผู้รู้เราให้ตื่นไม่เอาจิตของเราไปใช้ตามอำนาจของกิเลสตัณหาที่มันจะเอาไปใช้จนจิตของเราฉลาดรู้กิริยาบทอิริยาบทตามที่มีจริงเป็นจริงอย่างไรรู้ว่ากลายเป็นกายอืท่านให้กำหนดรู้นะรู้ว่ากายเป็นกายกายมีอยู่แต่ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเห็นอะไรที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนของเราเห็นได้ว่ามันเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเห็นว่าแต่มันเป็นสภาวะธทำอย่างใดอย่างหนึ่งหากมันเกิดของมันมันมีอยู่มานวนเป็นอยู่ของมันมันมีอยู่ของมันเป็นอยู่ของมันจริงๆเหมือนอย่างเมื่อคืนเราก็พูดเมื่อวานเราก็พูด ว่าลมเรามีลมลมธาตุลมเนี่ยเราตั้งใจเราไม่ได้ตั้งใจนะเวลาเราหลับเราตั้งใจหายใจเปล่าเราไม่มีเจตนาที่จะหายใจแต่ลมก็ทํางานตามเรื่องของมันนั่นมันทํางานตามเรื่องของมันหากแต่ผู้รู้ของเราไปจับจองตอนปฏิสนธิในท้องแม่เท่านั้นเองนึกว่าไปจับจองนล้็ถือว่าเป็นถ้าเป็นคูหาครองอยู่ในนั้น่ะแต่ไม่ได้เอาเจตนาของเราไปบังคับใช้ แต่พอมันเกาะกลุ่มกันมาได้แล้วเนี่ยเขาก็ทํางานไปตามระบบระบบของเขาดูให้เห็นสักทว่าเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่จิตแล้วก็ไม่ใช่เราแล้วก็เราก็ไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่เป็นกายกายก็ไม่ใช่เป็นเราเวทนาก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่เวทนาทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรม มีอยู่แต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราถ้าให้เรามองให้เห็นอย่างนี้ผู้รู้ของเรามันถึงจะปล่อยได้นี่คือคือการหัดปล่อยการหัดปล่อยคือการเข้าไปรู้เพราะการปล่อยทั้งนี้มันไม่เหมือนเราหยิบจิงได้สิ่งหนึ่งติดมือมา เสร็จแล้วเราก็วางลงเราปล่อยมันไม่เหมือนอย่างนั้นการที่เราปล่อยในที่นี้หมายความว่าเราต้องเข้ามารู้มาเห็นที่ไปที่มาของมันมันคืออะไรมันเป็นอะไรกันแน่เพราะจิตของเรามันไปยึดจนเหนียวแน่นมั่นคงอยู่ในนั้นว่าเป็นเราว่าเป็นเราความเกิดความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยมีได้ไหมในตัวเราในกายเราในใจเราเนี่มีได้ไหมเราเคยระลึกได้ไหม เราดูเวลามันโกรธนั่นดูดิดูนั่นน่ะตอนอัตตาโผล่ขึ้นมาแล้วนะดูเวลามันโลภมันโกรธ ด, ดูเวลามันระคันานดูเวลามันเกิดดูเวลาดูเวลามันชอบใจดูเวลามันเสียใจนั่นตัวอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาแล้อยู่ยังไงอ่ะอยู่ซบซึ้งไม่มีอะไรเลยจืดชืด อ, อย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่ อยู่อย่างมีผู้รู้ตื่นรู้รู้ทุกอย่างแต่ก็ไม่ยึดอะไรเสียอย่างเราพยายามทำแล้วก็ขัดเกลากไปจนมีจริตนิสัยเป็นอยู่อย่างนี้เราถึงจะเข้าไปถึงตรงนั้นได้เราถึงจะวางได้เราถึงจะปล่อยได้แต่ถ้าหากเรายังขลองใจยอยู่ว่าเรามาจากไหนอ่าแล้วเราจะไปไหนเราจะอยู่ยังไง ทำไมอันนี้งามเหลือเกิ น, น, นงามเหลือเกินมันงามได้มันเห็นได้มันยินดีมันพอใจได้ด้วยความรุ่มหลงเพราะเราไม่เข้าใจภาวะของมันไม่ไม่เข้าใจภาวะของของกายเรารู้ด้วยกายนําทุกขมาให้เท่าไหร่กายของเราแต่ละคนแต่ละท่านแต่เราท่านเนี่ยนําทุกนำโทษมาให้เราเท่าไหร่อืตั้งแต่อยู่ในท้องแม่กับทุกเท่าไหรนะ่น่ะทุกอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปออกมาจากท้องแม่แม่พ่อแม่ก็ต้องป้อนใช่ไหมทุกไหมพ่อแม่ก็ทุกเราก็ทุกทุกพ่ออะไรทุกจนกินไม่ได้เองหามาได้เองตาก็ยังไม่ได้ลืมต้องพ่อแม่ป้อนเข้าไปนั่นทุกกล้องทุกโตขึ้นมาต้องหาใส่เข้าไปเปิบเข้าไปเองใช่ไหมใส่เข้าปลาอาหารเข้าไปนั่นทุกไหมลองไม่มีอะไรใส่เข้าไปดูทุกไหม ทุกต้องสแสวงหาต้องดินน้นรนต้องมีงานมีการทําต้องมีของแลกเปลี่ยนหาอยู่หากินนี่บางทีสิ่งเหล่านี้ก็มาพันเราทําให้เราหมุนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทุกอยู่กับสิ่งเหล่านี้ลําบากอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมแล้วสนใจแค่เรื่องธรรมหากินอย่างเดียวลืมต้นต่อไปหมดแล้วแต่ถ้าเราไม่ลืมเราทําหากินไปด้วยกัน เรากลายเป็นคนเจริญเจริญด้วยทรัพย์เจริญด้วยศีลเจริญด้วยธรรมจะเจริญได้ยังไงเขาตั้งอกตั้งใจทํหมากินทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเขายังรวยไม่ได้เราเอาเวลามานั่งภาวนาเนี่ยเขาจะรวยได้ยังไง ร, รวยบุญบุญเป็นทรัพย์ภายในอย่าลืมอย่ามองข้ามผู้มีทรัพย์ภายในล้นเหลือ มันเป็นที่ยึดที่เกาะของทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในอริยทรัพย์คนเราต้องมีคุณสมบัติของใจที่ดีท่านที่ท่านเรียกว่าบุญดีบุญดีคนที่มีบุญดีจะต้องไปเกิดในที่ดีกรรมมันจะจัดสรรของเราให้เราอยู่ที่ดีที่สะดวกที่สบายไม่อดไม่อยากมันหากเป็นผลิตผลของบุญเองนะเราดูเอาเถอะ บางคนไม่เคยสนใจเลยทําบุญให้ทานปากักดตีนทีบตั้งวันตั้งคืนหาอย่างไม่พอถอยู่ได้กินบางคนทํางานสะดวกสบายมีชีวิตเป็นอยู่ไม่ทุกข์ยากไม่ลําบากมีเวลาประพฤติธรรมปฏิบัติทำอีกเนี่ยเขาก็เป็นอยู่ได้มันขึ้นอยู่กับจริตนิสยัยจิตใจใจมีความสุขใจไม่เดือดร้อนใจไม่วุ่นวายขอให้ได้อริยธรรม ถึงไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรท่านไม่เคยเดือดร้อนเราดูครูบาอาจารย์ท่านเที่ยวอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ในถ้ำลึกๆเข้าไปในป่าเดินทุกอยางลาบากจะเป็นจะตายกว่าจะไปถึงลองมาหาบิณฑบาตทุกอยากลําบากจะตายทําไมท่านไปอยู่ทําไมเพราะท่านมีทรัพย์ภายในท่านอยู่ได้สบายทุกอยากแค่นั้นไม่ลําบากทุกอยากแค่นั้นไม่ลําบาก เรามาเทียบดูอย่างนี้แล้วเ น, ะนี่ยคนที่เขาเพียบพร้อมด้วยศีลด้วยธรรมเพียบพร้อมด้วยทรัพย์ภายนอกเพียบพร้อมด้วยทรัพย์ภายในคนพวกนี้มีบุญดูไปที่สมัยพุทธกาลอนัตถาวินิกฉาเสียฐีนางวิสาขาพอเนี่ยเป็นมหาเสียถีเท่านั้นนะี่ยรวยบุญใช่ไหมรวยบุญก็รวยอริยทรัพย์ในที่สุดพวกนี้แหละคนทุกพ้นโทษไปก่อนเรา พาะเรายังไม่รู้เรื่องตามหลังเขาก็ไม่ทันมองข้ามเรายะมองข้ามมองข้ามบุญซึ่งเป็นอริยทรัพย์ที่อยู่ภายในใจของเราบุญอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละบุญแปลว่าความดีเอาอะไรมาดีกายกรรมดีวจีกรรมดีมโนกรรมดีกายมีศีลมีธรรมวาจามีศีลมีธรรมแน่ พ้นสินพ้นธรรมที่ไหนไม่พ้นใจดีใจดีใจมีสติใจมีปัญญาใจมีสมาธิใจถึงจะมีปัญญาใจมีสติใจถึงจะมีสมาธิใจถึงจะมีปัญญาเนี่ยมันไม่พ้นสักทีเรื่องเหล่านี้จะทํายังไงสิ่งเหล่านี้จะตกมาอยู่ในภาชนะคือหัวใจของเราเราต้องสร้างเอาเราต้องทําเอานี่เหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้พวกเรา รู้เห็นได้ยินได้ฟังรู้เรื่องด้วยกันทั้ทงหมดทุกคนแต่บางครั้งบางทีสนิมมันเกาะเกรกรังมันไม่ค่อยจะโผล่มาให้เห็นหลวงพ่อก็เคลียร์ๆพอเป็นแนวทางให้พวกเราได้ยินได้ฟังเป็นข้อคิดแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อให้รู้ที่ไปที่มาเพื่อตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้กายของเราสงบวายใจของเราสงบ ที่สงบก็อือใจของเราสงบไม่ให้มันเดือดดานจากกิเลสตัณหาอาสวะจนเกินไปจริงวันวนี้ถ้าหากมีแล้วมันมีเครื่องต่อสู้กับความทุกข์กับกองทุกข์ด้วยเหตุที่เราไม่มีปัญญาเองเราจึงยึดมั่นถือมั่นด้วยเหตุที่เรายึดมั่นถือมั่นนั้นเอง <c oughs> ความทุกข์ทั้งหลายจึงตามมาอความทุกข์ทั้งหลายจึงตามมาผู้ที่ท่านพ้นทุกข์พ้นโทษไปแล้วเนี่ย ร่างกายก็คือร่างกายทั้งทั้งที่ท่านครองกายอยู่แต่กายก็คือกายไม่ใช่ท่านอ๋อกายกลายเป็นว่าไม่ได้ยึดกายกายเจ็บใค่ได้ป่วยท่านก็ดูได้ท่านก็อยู่ได้ท่านเจ็บใค่ร่างกายเจ็บใค่ได้ป่วยก็อยู่ได้ก็ดูได้อืมคุณบายจานท์ท่านบางองค์ท่านผ่าตัดนไม่ต้องใส่ยุกใส่ยาอะไรเอาเลยหมอเอาเลย พาเลยตัดเลยไม่ต้องใส่ยาอะไร ก, ก็เวทนาก็เป็นเวทนาไม่ใช่ท่านเวทนาคือเจ็บคือปวดเจ็บปวดก็คือเจ็บปวดไม่ใช่ท่านท่านท่านพ้นไปแล้วพ้นได้ยังไงเพราะท่านไม่ได้ยึดมันมันคนละเรื่องมันคนละส่วนมันหินหักขาดต่อกันไม่ได้แล้วเราทำไมเราจะทำให้เหมือนเป็นเหมือนหินหัก ถ้าเราไม่พิจารณาให้รู้ให้เห็นจริงๆเราปล่อยไม่ได้เราวางไม่ได้เราว่าละไม่ได้บอกแล้วว่ามันไม่ได้ปล่อยเหมือนอย่างเราหยิบวัตถุแล้วเราก็ปล่อยปลอยอันนี้ต้องเข้าไปรู้เข้าไปเห็นจนเกิดปัญญาเกิดปัญญายานเกิดญาณทัศนะทั้งรู้ทั้งเห็นญานณทัศน์ทั้งรู้ทั้งเห็นเห็นด้วยความรู้ข้างในโอ๋อรู้ที่ไปรู้ที่มา รู้ที่ไปที่มาแล้วก็ทำให้เกิดการเบื่อหน่ายรู้กระแสของธรรมเลยเข้าถึงกระแสธรรมกระแสธรรมก็คือความเป็นไปของมันนั่นแหละความไม่คงทนความต้องเปลี่ยนไปความต้องเปลี่ยนไปเป็นทุกขงังความไม่คงทนไม่อยู่เท่าเดิมในสภาพเดิมเป็นทุกขขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังอันนี้คือกระแสธรรมกระแสธรรมนี้ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนได้ กระแสะน้ำเขาเปลี่ยนได้กระแสะไฟกระแสะลมเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนได้แต่กระแสะของอนิจจังทุกขังเปลี่ยนไม่ได้พระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ละพระองค์แต่ละพระองค์งท่านมาศึกษารู้ศึกษารู้รู้ความเป็นจริงของมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ถอดใจปล่อยปล่อยมันเห็นทุกข์มันเห็นโทษมัน ก็ปล่อยได้ก็วางได้ปล่อยได้วางได้ก็คือละอุปาทานได้เลอุปาทานไม่ได้ก็คือขันธ์ทหเยยึดทั้งหมดอืมมันไม่ว่างถ้าปล่อยได้ก็คือวางได้วางได้ก็คือว่างได้วางไม่ได้ก็คือว่างไม่ได้วางได้ก็คือต้องรู้ต้องเข้าใจต้องเห็นต้องรู้ต้องเห็นรู้เห็นด้วยญาณทัชนะทั้งรู้ทั้งเห็นแต่ก็ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ มันไม่ต่างอะไรกับเราคั่วกะทิะจนกว่ากะทิจะขึ้นมาลอยผิวนั่นน่ะมันกะทิขึ้นแล้วนะพอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยจะให้มันกลายไปเป็นสภาพเดิมมันเป็นไม่ได้เหมือนกับเราสีไม้ให้เกิดไฟสีสี ส, ส, ส, สีจนเกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาเราดูไม้กับเปลวไฟมันคนละโลกคนละเรื่องเลยใช่ไหมไอ้เปลวไฟกับไม้ที่เราขัดสีเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือ น, นมันคนละอันไปเลย แต่มันเป็นเหตุทําให้เกิดสิ่งเหล่านั้นปัญญาก็เช่นเดียวกันเราาพิจารณามาเสียมาสีกับสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเท่านั้นเราถึงจะวางได้เราถึงจะปล่อยได้ทํำยังไงเราต้องเพียรเราต้องอดเราต้องทนเพียรก็คือขยันขยันก็คือเพียรนั่นแหละเราต้องอดเราต้องทนทนก็คืออดอดก็คือทน คมคมก็คืออดอดก็คือคมธมะขันติจาคะไปด้วยกันธรรมะคือคมคมจิตพิจรารณาคมจิตท่องบนสวดมนต์ภาวนาท่องจิตบริกรรมภาวนาเนี่ยอดเข้าไปทนเข้าไปทนก็คือขันติขันติธรรมอืมจาคะเสียสละปล่อยวาง บอกว่าเสียสละเสียสละแล้วะเราดูอุทกกระดาบทอาราะดาบทท่านเสียสละทุกไม่ได้ท่านเสียสละความสุขไม่ได้การเข้าไปอยู่ในสมาบัติน่ะรูปสมาบัตรรูปสมาบัติมีความสุขมากมีความสุขไม่เหมือนไม่เหมือนมีความสุขเหมือนอย่างพวกเราเกี่ยวข้องกับกับกามกุณทั้งหลายมีความสุขมากมายมหาศาลมากกว่านี้ท่านเลยยึดความสุข ท่านปล่อยไม่ได้ท่านวางไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปถึงแล้วแต่ความทุกข์ของท่านยังกองเต็มหัวใจเอ๊นี่ผิดทางและไม่ใช่ทางมันยังมีขั้นอีกที่ท่านจะต้องไปให้ถึงมีขั้นอีกที่ท่านจะต้องไปให้ถึงแต่ดาบบทเหล่านั้นน่ะเขาติดอยู่แค่นั้นแหละดาบบทเหล่านั้นหรือสีเหลานั้นก็ติดอยู่แค่นั้น พระ อ, องค์จึงมาบำเพ็ญโดยลาพังจึงไม่ได้ช่องทางได้ตัดสรุปโดยพระ อ, องค์เองอืเราก็พูดมาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเราจะหมดเวลาสี่โมงใช่ไหมช่วงนี้เราจะหมดเวลาสี่โมงใช่ไหมเราจะหมดเวลาสี่โมงนี่ก็เป็นการพูดให้พวกเราได้ยินได้ฟัง <c oughs> ได้ข้อคิดได้ข้อปฏิบัติได้แนวทางแล้วก็รู้วิธีว่าเราจะเอาอะไรมันถึงจะเกิดผลสิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเจริญสมาธิเจริญปัญญาใครจะพิจารณาปัญญาก็แล้วแต่ใครจะเจริญสมาธิก็แล้วแต่ใครจะเอาหลักอุมาสติปัฏฐานก็นแล้วแต่เอาตั้งอกตั้งใจตัวใครตัวเราแหละตอนนี้เอา <c oughs> แล้วทาความสงบมา ยี่10วนาทีไปถึงไหนกันนะไปถึงไหนกันถึงกายไหมถึงใจไหมหือไปถึงที่ไหนถึงโลกบาดาลหรือพรหมโลกอืมจะถึงโลกไหนบ้าง ได้รับความเบาได้รับความสบายได้รับความปลอดโปรง่งได้รับความสุขเจ็บปวดไม้อะไรเจ็บอะไรปวดรู้สึกว่าเรานั่งอบรมกันนานเยอะพอสมควรสองวัน3าวันเนี่ย ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเราก็มีแต่พูดพูดพูดเขาก็นั่งภาวนาเราไม่ค่อยได้พานั่งเราพานั่งก็ตามกับตัวใครตัวมันนั่นแหละ ใครพยายามเอาอยู่ก็อยู่ใครเอาไม่อยู่ก็ตัวไข่ตัวเรา <c oughs> <c oughs> เอานี่อัตาหิอัตโนนาถโถรู้จักไหมอัตาหิอัตโนนาถโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนในที่นี้ก็คือตนสมมุติน่ะแหละตนในที่นี้ก็คือใจเนี่ย ใจที่มีเจจจำลองดำรงมั่นในการสร้างคุณงามความดีนี่แหละคือตนเราจะเอาคำว่าตนมาขัดแย้งกันโอ้ท่านให้พิจารณาเพื่อปล่อยวางตนทำไมยังโผล่ตนขึ้นมาอีกอย่าไปอย่าไปติดสมมุติท้าไม่มีตนก็ไมรู้จะเอาอะไรมาพูดมีเป็นสมมุติของโลกพูดไปตามภาษาสมมุติของโลกนายกนายขอ ก็ว่าไปตามสมมุติของโลกทำทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติบัญญัติชื่อเรียกชื่อแต่ว่ามีสภาวะธรรมรองรับอไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่บัญญัติลมลมแรงแรงแต่ศีล น, นั้นน่ะบัญญัติเหมือนกันแต่บัญญัติ พฤติกรรมที่ทำผิดพฤติกรรมใดก็ตามที่ทำผิดพุทธเจ้าทนทรงบัญญัติศีลเป็นบัญญัติธรรมนั้นมีสัจธรรมรองรับศีลไม่มีสัจธรรมรองรับถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นธรรมนั่นแหละเป็นสัจธรรมนั่นแหละอพูดเท็จนัเนี่ยพูดเท็จ ค, คือพูดไม่ซื่อไม่สัต์ไม่ตรงถ้าเรารู้จักพิจารณาสินเป็นธรรมธรรมเป็นสินอยู่นั่นแหละจับเข้าไปเลยให้อยู่ไม่ต้องให้มันไปโลกบาดาลมันต้องให้มันไปโลกพม่าโลกดอกให้มันอยู่กับโลกกอายโลกใจของเรานี่แหละถ้าไปโลกอื่นเราก็เห็นโลกอื่นเราไม่ใช่ไปเบื่อหน่ายโลกอื่นนะ เราก็ต้องมาเบื่อหน่ายโลกนี้มารู้เรื่องโลกนี้เราถึงจะรู้ที่ไปที่มาของมันได้ไม่งั้นเราก็ไปไม่ได้เราก็มาไม่ได้เราก็สั่งสมอบรมอย่างนี้แหละเราดูความเบาความสบายความปลอดโปรง่งเป็นการพัฒนาใจการพัฒนาใจเป็นการพัฒนาใจพัฒนาใจกับพัฒน า, ฒนาจิตอ่า พัฒนาชีวิตกับพัฒนาจิตมันต้องพัฒนาไปด้วยกันเราพัฒนาธนาแทยชีวิตเราไม่พัฒนาจิตจิตมืดพัฒนาจิตอย่างเดียวหากชีวิตมันเป็นชีวิตที่ถูกพัฒนาโดยธรรมเองเพราะจิตเป็นธรรมจิตดึงชีวิตชีวิตคือชีวิตอัตภาพร่างกาย ตราบใดไม่มีจิตครองไม่มีวิญญาณครองก็ไปแล้วตราบใดระบบระบบของสังขารร่างกายมันสุบมันซอ ม, ม, มันเสือมันเสียมันก็โดดหนีไปแล้วจิตโดดหนีไปแล้วไปพร้อมกับคุณสมบัติความดีความไม่ดีความดีความชั่วบุญบาปไปอีกอาศัยบุญบาปนี่เองเป็นพลังเป็นพลังพาไป กลายเป็นว่าพลังที่พาจิตเราไปก็คือพลังของบุญของบาป เ, เป็นเรื่องแปลกเราดูไปให้เห็นเป็นเรื่องแปลกเป็นของแปลกเสร็จแล้วก็ดูมาที่จิตของเรามันเป็นจริงยังนั้นไหมความดีมันพาไปสู่สุขติไปอยู่ที่ไหนไปยืนไปเดินไปนั่งไปนอนมีสุขทั้งนั้นแหละความไม่ดีไปสู่ทุกขติ ไปอยู่ทุกข์อยู่ยากอยู่ลําบากอยู่ทรมานนั่นเอาวันไหนอ่ะไม่มีใครเอาดอกแต่ว่าเวลาเราทําพฤติกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเราไม่ค่อยคำนึงถึงนี่เราเสียท่ามันตรงนี้แหละเราไมันก็ได้ใช้ปัญญาเราไม่ได้ใครครวน เราไม่ฝ่าฝืนเราไม่อดเราไม่ทนลุกอำนาจให้กับมันอยู่ร่ำไปเราเสียเปรียบมันวันยังค่ำกลายเป็นว่าพอร่างกายเราแตกสลายไปจิตเราไม่อยู่แล้วมีรูปมีร่างยังไงน้อจิตของเราเนี่ย <laughs> ดูเอาเองมีจิต ด, ด้วยกันทุกคน นะดูให้เห็นดูเอาเองกลายเป็นว่าผู้รู้นี่ไปไหนไม่เป็นไปเองไม่เป็นหากไปด้วยพลังของกรรมเนี่เป็นเรื่องแปลก น, นะกรรมมันพาจิตไปกรรมมันจะไม่พาจิตไปได้ยังไงก็กรรมมันจิตมันเป็นคนพาธรแเราดูสิพันอยู่นี่แหละ กรมกายกรรมจีกรรมมโนกรรมจิตมันเป็นคนพาธรรมมันเป็นพฤติกรรมของจิตแสดงมาที่กายแสดงมาที่วิจาร์ก้าเป็นว่าพฤติกรรมไม่ดีไปสู่ทุกขติพฤติกรรมที่ดีไปสู่สุขติเราชอบชอบชอบสุขติอชอบสิ่งที่มีความสุขเบาสบายปลอดโปรง่ง ชอบสิ่สงที่ไม่ชอบสิ่งที่มืดมืดทึบทึบหนักหน่วงทวงจิตใจเร่าร้อนทรมานเราไม่ชอบแต่ไหยแต่รายจิตของเราไม่ชอบแต่หลงให้มันจนได้ขาดสติขาดปัญญาขาดการพิจารณาพฤติกรรมของจิตสามารถตัดสินใจทํากรรมดีที่สุดได้สามารถ ตัดสินใจทำกรรมที่เร็วที่สุดได้ระวังให้ดีต้องระวังให้ดีออช่วงนี้ระยะนี้พอสมควรแก่เวลาหมดเวลา